ขอความเจริญในธรรมจุมีดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รลวงพระโพทธญาณได้แวะมาพูดเรื่องการได้รูปการศึกษาสืบต่อกันมาถึงครั้งที่สิบก็ต้องถือว่าเป็นการพูดครั้งสุดท้ายในช่วงนี้ในวันต่อไปก็คงจะมาประรบเรื่อง ก็ความเรื่องสมาธิิในพระธรรมจั ก, กรปันสูตรเข้าไปองคกรได้บอกถึงเรื่องมติร่วมของพุทธบริษัทต่อการบรรุการศึกษาและที่จะนำเสนอแก่รัฐบาลในโอกาสต่อไปด้วยในข้อแรกที่บอกว่าให้จัดตั้งองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระในนามสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรืการจ่าเป็นพระราชบัญญัติจัดตั้งให้สังกัดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนต ร, รีว่าการกระทรวงการศึกษ า, าศาสนาและวัฒนธรรมอส า, ากาลตามราชบัญญัตินั้นประการที่สองนางกิจการทุกอย่างของพุทธศาสนาที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบคนหน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดสํานัก ประวัตศาสนาแห่งชาติกรนี้ก็ให้มองไปที่กรมศิลปากรกับกรมกับสวชคือสํนานักวัฒธรรมแห่งชาติโดยเห็นว่าในความเป็นสํนานักวัฒนธรรมเนี่ยมันมีวัฒนธรรมของพูดเป็นหลักแล้วก็ในความเป็นกรมศิลปากรศิละปะทั้งหลายวรรณกรรมทั้งหลาย ตลอดทังงานสถาปัตยกรรมงานจิตกรรมทั้งปวงนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาคือพูดง่ายๆว่าเป็นครอบครัวของพระพุทธศาสนาเอาเฉพาะมหาเทรสมาคมมาเดยเฉพาะสนพุทธมนฑลมากับาศาสนาสมบัติมาเพียงสามอย่าง แล้วก็ทิ้งศิละปะเอาไว้ทิ้งวัฒนธรรมเอาไว้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งมีศาสนาอื่นรูปอยู่ด้วยมันก็น่าจะมีปัญหาพอเราไปศึกษาตัวเลขเนี่ยคือสานักไปรูปการศึกษาเขาก็ไม่เบานะฮะอย่าวันก่อนที่พูดเรื่องตัวเลขศาสนิกว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลดของพูดลงไปร่วมสองร่วมร่วมสองแสน แล้วก็เพิ่มให้แก่ศาสนาอิสลามขึ้นมาเนี่ยถึง4แสงกว่าแล้วเพิ่มไม่คลิดขึ้นมาถึง5แสน5หมื่นกว่าต่างจากตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยมหาศาลนะครับเราก็ไม่เข้าใจว่าข้อมูลเหล่านี้ทำไมจึงอุดตรุดขแรแดนั้นก็ไปเปิดดูรายละเอียดที่เขาทำไว้ คือว่าหน่วยงานย่อยที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนี่ยจะมีอีกสองร้อยห้าสิบผ่านหน่วยแล้ว ก, ก็มีตัวแทนผู้นำาศาสนาแล้วก็พระภิกษุที่จริงเมื่อก่อนเขาไม่มีนะฮะเาใชา้คาว่าผู้นำาศาสนามันจะมีกรรมการหน่วยละเก้าผลกรรมการชุด น, นี้พอย่อยลงไปต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีาศาสนกในาศาสนาอื่น โดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยจะอยู่เกือบทุกเกือบทุกหน่วยคัดแรงมาทุกหน่วยะนะครเพราะว่ามันเป็นเขตการศึกษามีจังหวัดประมาณสองสามจังหวัดที่ไม่มีคนอิสลามอยู่นอกั้นก็จะมีทั้งหมดแต่พวกคริสต์นั้นก็จะมีไม่ไม่ทุกจังหวัดวก็ถือว่ามีมากเพาในที่สุด ต่างจังหวัดเองมันก็ต้องไปพยุารณาอยู่ในลักษณะนั้นพอมาดูงานมาเป็นงานของพู้ดอีกละ่ะเพราะอย่าลืมว่ฝ่ายศึกษาเนี่ยมันอยู่อีกหน่วยหนึ่งอีกคณะกรรังการชุดหนึ่งเพราะถ้าจะแยกเนี่ยมันก็แยกในนามปฏิรูปคือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขตกแต่งอะไรแต่อะไรก็ตามมันดีขึ้ น, นในเชิงของการบริหารการจัดการ เรควรจะแยกแบบบ้านใครใครอยู่อูใครใครนอนแล้วแต่ละคนก็รับผิดชอบในองค์กรของตัวเองในขณะเดียวกันก็อยู่ร่วมกันร่วมดินร่วมน้ำร่วมลมร่ว ม, ม, มไฟร่วมอากาศกันแต่ไปรวมกันในลักษณะอย่างนั้นซึ่งไม่ยุติธรรมอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าเราไม่มีส่วนในการบริหารอะไรเขาแต่ว่าเขาตามไปมีส่วนในการบริหารเรา แน่นอนว่าต่างจังหวัดเนี่ยกรรมาการมันมีชุดเดียวแต่ที่จะมีสี่ชุดตามโครงสร้างไม่บทเี่ยมันจะมีจะมีอยู่ชุดเดียวเพิ่มันก็ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยก็ถูกตรวจสอบถูกเพื่อแง่าวาถู ก, กรรมกับกด้กั น, นมันมีคำกับอยู่ในคำว่าร้อยแปดปัญหาของการรูยการศึกษา ตรนั้นก็ใช้กำกับเลยนะฮะจะมีการ ล, ลักษณะลักษณไก่ข้อความเอาไว้แล้วพอตามไปนี่จะเห็นจะเห็นอะไรอีกเยอะเราจะเห็นว่าศาสนาหนึ่งมีจะมีที่ผลดูมากเลยคําในศาสนานั้นจะเบียดแทรกอยู่ตลอดซึ่งจริงๆพูดเราไม่มีนะคําเรานั้นนะเราไม่มีแต่ว่าในศาสนานั้นเขามีแล้วเขาก็เบียดแทรกอยู่ทุกจุด เพื่อจะศึกษารายละเอียดจริงๆเนี่ยต้องตั้งใจมานั่งอ่านอ่านให้ละเอียดแล้วก็เทียบเคียงโดยหลักการโดยกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วจะมีความชัดเจนว่าทุกครอบงำมาจากต่างแดนต่างชาติแล้วก็ซึมเนื่องมาจากาศาสนาด้วย คนนี้ถ้าเรามองในต่ออติศาสแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครัเราสังเกตว่าการรบราข้าวความการลาเมืองขึ้นอะไรแต่อต่างๆในสมัยก่อนเนี่ยเราสังเกตดูสิครับมันมาจากศาสนาอยู่สองศาสนากันนั่นเองประเทศไทยเนี่ยเฉียดชิวไปเลยเนะครเกือบจะถูกล่าจะเดียวกันแต่ว่าผู้นำเนี่ยมันนํามาจากศาสนา วิธีการมันต่างกันเต็มเหมือนกันในตรงนี้เพราะเราก็จําเป็นที่จะต้องเอาเครอบครัวเรามาทั้งหมดแล้วมาบริหารกันในนามของสํานักพระพุทธศาสนาคือแน่นอนถ้าเราแยกกันมาได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็มีฐานะเป็นกลุ่มก็แน่นอนแหละก็ข้าราชการแต่มันเป็นข้าราชการพุทธล้วนนะข้าราชการต่อไปจะเป็นพุทธล้วนถ้าได้มาเนี่ย แล้วก็เราก็มีพลังในการที่จะทำงานของเราส่วนการศึกษาก็ร่วมแรงร่วม ใ, ใจกันไม่ได้แปลกอะไรเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเราเนี้ยือศาสนานี่ต้องแยกออกมาโดยเด็ดขาดอย่าลืมว่าในพระพุทธรูปหนึ่งองค์เนี่ยเป็นพระพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะเป็นศาสนา เป็นงานปฏติมา ก, กรรมเป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุธรรมเป็นวัตถุและประเด็นนี้มันก็อยู่ในวัดอนะ่มันอยู่ในวัดอยู่ในโบราณสถานอยู่ในวังอย่างที่กรมศิลปรกรก็ไปตรวจสอบก็ไปควบคบุมขึ้นทะเบียนเนี่ยของเรานั้นอยู่ในวัดเนะ่ย แล้วก็ควบคุมก็สั่งการเราจะบูรณาปฏิทังคอ์อะไรแต่ไรไม่ได้ต้องให้กมรมสินปาะการทําเองอะไรแต่ไรเนี่ยทั้งๆที่ช่างเนี่ยช่างในบ้านในเมืองนี้เยอะไปช่งางชาวพุทธเนี่ยทําไมจะต้องให้ข้าราชการกรมนั้นเขามาทำช่างที่มีฝีมือดีบางทีก็เหนือกว่าที่กมรมสินปรการก็เยอะไปเพราะฉะนั้ต้องมีอิสระที่ตอนนี้มันจะเล่นอิสระเสรีภาพก็ว่ากันไป มันจําเป็นข้อ น, นี้มันก็ค่อนข้างจะในเชิงที่บรรลุเป้าหมายเนี่ยก็คงจะต้องขับเคี่ยวกันพอสมควรเพราะว่าเขาจะให้เศษเชี่ยวของกรมการศาสนามาฝ่ายการศึกษาฝ่ยยายแผนฝ่ายอะไรต่างๆเนี่ยก็แยกออกไปก็ดูแลนวัตงานถ้าเอามา 3, 3สามสามสำนักนะเขาเรียกว่าสามสำนักเนี่ยมันจะมีกลุ่มงานประมาณสักสิบเอ็ดกลุ่มงาน แต่ว่าชาตสุดท้ายยังไม่เจอนะฮะชาตก็ เ, เปลี่ยนเรื่อยแต่ว่าตัวคณะกรรมการเห้่ยก็ไม่ยอมเปลี่ยนเลยชาติที่อาตมา น, นามาประรบเนี่ยมันออกมาวันสุดท้ายคือวันที่ยี่สิบหกมีนาคมหลังจากออกอากาศไปแล้วกว่ออา จ, จะมีตรงไหนเปลี่ยนบ้างก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า วันนี้ก็เสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็เข้าใจว่าถ้าไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนที่โน้นเนี่ยที่คณะรัฐมนตรีที่กฤษฎิกาที่สภาบุตแทนรกรรษฎยากฤรษฎิกาเนี่ยก็คงไม่เปลี่ยนอะไรหรอกเพราะว่าก็ตรวจสอบสำนวนภาษาในเชิงกฎหมายแต่นั้นเองประการต่อไปนี้เราจะมองไปที่การศึกษาอย่างที่บอกว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับาศาสนาเนี่ย แล้วก็พูดรวมๆนะฮะศาสนาทุกศาสนาในเอกาสารเล่มนี้เข้าใจว่าอย่างน้อยต้องมีสองร้อยหน้าเพระที่มาไดมาร้อยห้าสิบกว่าถึงร8อยแปดสิบเอระที่จะเตนว่าหลักสูตรที่เกี่ยวกับประพุทธกับศาสนาต่างๆมันีีอยู่เพียงสองหน้ากระดาษทั้งหกชั้นนะฮะไม่ใช่ ถ้าชั้นได้ทั้งสิบสองชั้นเด็ทั้งมหนึ่งนะปหนึ่งะปหนึ่งปสองปสาปหกถึงถึงมหกนะก็สิบสองชั้นก็มีอยู่แค่สองหน้ากระดาษแต่ต้องการจัดการศึกษาความรู้คู่คุณธรรมสร้างนักเรียนที่เก่งดีมีความสุข แต่สาระเนื้อหาที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนานะ่ะมีนิดเดียวแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะประเด็นตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรียบเรียบเียงให้ดีเนี่ยคือคือมันควรให้ผู้ชํานาญการในศาสนานั้นๆเป็นคนเรียนไม่ใช่เอามากรมวิชาการมาเป็นคนเรียบเรียาารงห น, น, น, นังสือกรมวิชาการไม่ได้สับปัญญามาจากไหนนะ ก็เป็นข้าราชการธรรมดาธรรมดานี่แหละจะรอบรู้สารพัดไปนี่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อจะสอนสาศาสนามันก็มาประชุมเนื้อหา ก, กันแล้วก็ตกลงว่าได้กรอบมันอยู่ตรงไหนละเช่นสมมติว่าพูดเรื่องาศาสนาเนี่ยจะพูดระดับไหนผู้เรื่องธรรมะจะพูดธรรมะอะไรบ้างระดับใดบ้างนะ่บอกบอกโครงสร้างกว้างๆมาแล้วก็พูดํานานในแต่ละาศาสนานั้นก็ไปทามาเอง โดยไม่ต้องให้ค่าลิขสิทธิ์อะไรทั้งหมดเพราะถ้าไปมีเงินเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องผลประโยชน์ไปมันถึงคราวที่าศาสนาจะต้องแสดงบทบาทเสียสละเพื่อสังคมใช่บ้างซึ่งก็ทํามานานแล้วนะฮะว่าแต่จริงแต่ว่าในเรื่องนี้มันไปเชื่อมโยงกับข้าราชการเชื่อมโยงกับข้าราชการมันก็ต้องมีอะไรละเบียบายรายทางอะไรแต่อะไรกันพอสมควร บนข้อที่3จึงพูดถึงเรื่องกรรมการน ะ, ะข้อที่4เนี่ยเราจะพูดเรื่องการศาาการึกษ า, า, ก, า, นน า, ก, ากรรมการทุกชุดคือหมายความมาส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเนี่ยติดว่าลงไปตั้งสองอยกว่าเนี่ยกรรมการทุกชุดแล้วก็ทุกระดับของกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่กฎหมายกำหนดให้มีตัวแทนแบบตัวแทนศาสนาอยู่ด้วย จำนวนตัวแทนศาสนิกคิดตามสัดส่วนของศาสนิกแห่งศาสนานั้นๆมันไม่ใช่ศาสนาพุทธคนเก้าสิบสี่เปอร์เซนกว่าก็หนึ่งคนศาสนาชิกซึ่งมีคนทั้งประเทศสองพันกว่าคนก็มีหนึ่งคนอย่างนี้ก็ไม่ยุติธรรมต่อโดยชาวพุทธต่อพระพุทธศาสนา ฟังมันต้องแบ่งมาตามสัดส่วนกันถ้าจะเล่นกรรมาการมันก็ต้องเล่นในยุติธรรมนะถ้าไม่เล่นก็เลิกเล่นไปเลยเปจริงๆมาสิ้นเปลืองเงินบเปล่ า, า ไ, มไม่ได้ประโยชน์อะไรคือถ้าเราต้องการระดมความคิดระดมอะไรเป็นคราวๆในเชิ่นมาเป็นคราวๆอย่างที่ดีกว่าแล้วก็ให้ข้าราชการเนี่ยเขาบริหารกันไปวันนี้ก็ทํำแต่เฉพาะแผนนโยาบายอย่าไปล่วงลูกลึกขนาดนั้นอย่าลึกถึงขนาดกำกับ ตั้งสำนัก ง, งานให้คณะกรรมการนะอย่าลืมนะสำนัก ง, งานนี้มันมีคณะกรรมการอยู่ด้วยแต่มาก็พยายามดูว่าประหลัดมันอยู่ตรงไหนในชาตินี้ไม่มีประหลัดแต่ว่าในเอกสารนี่มีแต่ว่าก็สนองงานของกรรมการการศาสนาและวัฒนธรรมแล้วก็ชุดอื่นๆก็เหมือนกันนะฮะคือสรุปได้มันเป็นสีก่กลุ่ม แต่การต่อไปเรื่องการเรียนการสอนก็ขอให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศโดยเป็นวิชาบังคับสําหรับนักเรียนที่เป็นพุทธศาสนาในส่นเราพุทเฉพาะเรานะฮะเานหมายความาศาสนาอื่นก็ต้องบังคับบังคับให้เรียนแล้วก็เรียนในเมือนกันทั่วประเทศ เพราะศาสนานี่ไม่ไปแบ่งทำท้องถิ่นไม่ได้หรอกศาสนามาจากศาสดามาจากพระคำพี่ของศาสนานั้นๆและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือถ้าเราดูแล้วว่าตั้งสิบสองชั้นเนี่ยมีหัวข้ออยู่แค่สองหน้ากระดาษมันน่าสงสัยว่ากรอบมันจะไม่ใหญ่แต่เวลาน่าจะถูกลดนะเพราะในปัจจุบันเนี่ย มันน้อยเหลือเกินเนะี่ยอะไรสอรนอสอปช อ, อะไรนะฮะสร้างเสริมประสบการณ์แห่งชีวิตสร้างเสริมลักษณะนิสัยเนี่ยมาให้เวลาไว้นิดเดียวแล้วยังไม่รู้ตัวนะฮะว่าสอนเด็กจนเละหมดแล้วยังไม่รู้ตัวเลยเนะวะลาสู้ที่ทำๆกันสอนเด็กปวนหมดแล้ว จนขนาดท่านนายกรัมกรีต้องให้ตำรวจไปเทสตรวจในสถานที่ต่งตางๆปรากฏว่าเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเข้าไปอยู่เปนเยอะเลยฝีมือใครอ่ะใครสอนเด็กมาอย่างนั้นน่ะแล้วเสร็จแล้วมาโยนให้ศาสนาศา ส, สนาไป่ได้สอนไม่ได้มีอำนาจไปมีหน้าที่ก็ไปสอนเขาแม้แต่วิชาที่จะเขียนก็ศาสนาองค์กรศาสนามีโอกาสร่วมน้อยเวลาสอนก็ไม่ได้สอนนะก็สอนอยังไงก็ยังไม่รู้เลย นี่คือปัญหาปัญหาที่อย่าไป ท, ทําเป็นเจ้าข้าเจ้าของข้าราช ก, การนั้นเป็นลูกจ้างของแผ่นดินอย่างกรรมการทั้งหมดเนี่ยที่จริงเป็ น, ปนองค์กรพิเศษที่ก็ตั้งขึ้นชั่วคราวมันจะหมดสภาพไปประมาณสามปีนะฮะก็ต่างเนี้เป็นองค์กรพิเศษที่รัฐมนูญเขากําหนดให้มีคล้ายๆก็เป็นองค์กรเฉพาะกิจอ่ยแต่อย่าลืมว่ากินงบประมาณของแผ่นดินนะแล้วจ่ายเยอะมากเยอะนะพวกนี้พิมพ์หนังสือรู้ๆนะ โปรโมตตัวเองเรียกว่าบ่อยที่สุด่ถ้าเราดูถหนังสือพิมพ์เนี่ยลงแล้วก็พิมพ์หนังสือเผยแพร่บางทีโปรโมตอเมริกาโปรโมตแคนาดาะอะไรแต่ไรเรไม่รู้เรื่องอะไรฮะงมันแผ่นดินเท่านั้นนะเป็นลูกจ้างแผ่นดินนะะไม่ใช่เป็นเจ้าของแผ่นดินศา ส, สนานี้อยู่มาก่อนเราเกิดประเทศนี้อยู่มาก่อนเราระบบบริหารราชการต่างๆอยู่มาก่อนเราเรามาอาศัย นะไม่ใช่เราเป็นเจ้าของคือไม่ควรจะทําอะไรให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ใครจะคัดค้านอะไรไม่ได้เวลาพูดเนี่ยพูดมาทันจกกบขอแทรกทุกทียอดขนาดนั้นนะ่ะเวล า, าแสดงอะไรขอแทรกทุกทีเราพูดอย่าทันจบ ก, กระบวนการคือถือว่าฉันเอาความจัดอย่างนี้คือลักษณะนิสัยอย่างหนึ่เนี่ยพวกครูบาอาจารย์ที่จุดอ่อนเนี่ย คือขาราชการของเราเนี่ยยังมีความคิดแบบสักดีนานยอยู่เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันยืนเลคเชอร์อยู่หน้าชั้นเนี่ยมันสะสมนิสัยประเด็ดการเขสั่งนักเรียนต้องเป็นอย่างนั้นนักเรียนต้องฟังอย่างงั้นนักเรียนต้องเชื่ออย่างงั้นอะไรแต่อะไรเนี่ยมันสะสมมาอย่างเงี้ยแล้วปฏิรูปแต่ตัวเองไม่ได้ปฏิรูปความคิดไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลย นยะยังเหมือนเดิมอัตราเบลอเทอาเลยอย่างท่านนายกยัขอร้องวันก่อนว่าใ ห, ให้ลดอัตราลงมาทีบ้างอัตาค่อใหญ่มากนะเล่นบทละครไม่กี่ฉากนะฮะแต่วันยิ่งใหญ่เอนอันนี้ก็คือสิ่งที่มันจะสร้างมารดกบาปไปแกแผ่นดินคือถ้าไปตัดหลักสูตรพระพุทธศาสนาอย่าลืมมาตัดเนี่ย ที่บ้านเมืองเราที่คอรัปชันไรแต่ปุ่นพี่ยุบยับหมดเนี่ยเราย่าลืมมาถ้าเราดูสมัยราติการที6หกเนี่ยพระยานนทเสนคอรรัปชั่นเรื่องสลากกินแบ่งนิดเดียเองอะ่ะโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเวลาเนี้ยปัญหาคอรัปชันมันนำมา น, นาหน้ามาเยอะเลยเพราะว่าขาดคุณธรรมทางาศาสนาจิตใจไม่มีความหนักแน่นมั่นคงมีความอ่อนไหวตามกระแส ของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยามถูกยั่วใอยากและมันอยากตามที่ยู่วทุกทีเลยนี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันมองอย่าว่าพอได้อำนาจมาแค่สามวันแล้วคุณก็ออกไปคุณไม่รับผิดชอบอะไรแต่าศาสนาต้องอยู่ชาติต้องอยู่สถาบันประมากาษัตริย์ต้องอยู่ตอรับผิดชอบต่อผลการกระทา ซึ่งมีความสุ่มเสียงสูงทุกนก็ต้องช่วยกันรัฐบาลเองก็ไม่ได้อยู่ตลอดหรือพูดบางทีเนี่ยพูมันก็จะอยู่ตลอดไม่ใช่อย่างนั้นนะอยู่ครบเทอมหรือเปล่ายัางไม่รู้อยู่เลยประการต่อไปเนี่ยคือให้ร่วมกันส่งเสริมสนับส น, นุนดำเนินการพัฒนาสถาบันพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาศาสนาธรรมนะคือนี่หมายความมาแม่แต่ว่า เขาจะเอากมการศาสนาอื่นออกไปนะฮะแต่ว่าองค์กรสมองค์กรพระพุทธศาสนาของเรายังอยู่สภาพอย่างนี้มันเป็นโครนติดลอ้อมันเป็นล้อติดลมมันเดินไม่ได้นะมันต้องแก้ไขได้พระราชบัญญัติแล้วก็ปรับวิธีการบริหารการจัดการให้มีความชัดเจนมีความรับผิดชอบมีความฉับไว้นะแล้วก็ไม่สะสมหมักหมมปัญหาต่างๆเอาไว้ อำนาจนั้นจะต้องไม่รวมศูนย์จะต้องแยกอำนาจบริหารต้องไปอยู่แห่งหนึ่งตุลาการอยู่แห่งหนึ่งอนิติบัญญัติไปอยู่แห่งหนึ่งระดับผู้ใหญ่เนี่ยควรจะยุคขึ้นยกขึ้นไปเป็นบอร์ดเป็นที่เคารพสักการะโดยโครงสร้างของสรรมณศักดิ์เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยสมเด็จพระราชากน้าขึ้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าประคุณนะแต่รองลงมาเนี่ยชาวบ้านเขาเรียกประเดศประคุณ คือหมายความว่าพวกนี้ยังใช้ได้ทางประเด็ิประคุณแต่ข้างบนเนี่ยเป็นปูเจเนียบุคคลมันจะต้องมีเฉพาะประคุณเท่านั้นเองเป็นจยุดยึดเหนี่ยวทางใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในประกาศการรมราชองค์การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเ่ขามีคำอย่างคำหนึ่งว่าพุทธบริษัทคารวัสถานดำรงพระสถานะเป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัททั้งหลาย ันทามาบริหารมาแตะต้องมาให้คุ่ให้โทษแล้วเนี่ยจะยากแล้วก็ไม่ควรจะแช่อยู่ในตาแหน่งนานนะแต่ว่าต้องต้องต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าพระเราจะมรดน้อยนะฮะมันหาตัวแทนยากอยู่เวลา น, นี้เกิดประลบกันแล้วนะฮะที่ที่เกิดเกษียณแปดสิบเนี่ยปรากฏว่าหาตัวแทนไม่ได้ พอถูกเกษียณอายุ80ไปเดีอยวตระลมาท่านยังแข็งแรงท่านยังทำงานได้สบายแต่ว่าอายุท่านก็80แล้วคือศาสนาเนี่ยมันพูดยากนะศาสนาเนี่มันเป็นแนวที่เรียกว่าพู้เท่านี่จะมีเป็นที่เคารพท่านจะอยู่ท่านอยู่เป็นหลักไว้ให้แต่นั่งเฉยๆแล้วก็คนอื่นคอยสนองงานให้มันอาศัยบารมีของท่านเนี่ย ศาสนามันสืบต่อมาได้แล้วทุกศาสนานะฮะเราสังเกตเราพูดนําศาสนาเนี่ยจะเป็นพูกเท่าเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายเป็นปูจจัยบุคคลรานนั้นแนวเรื่องกเกษียณก็เป็นแนวที่น่าจะมองเหมือนกันว่าไอ้ตรงไหนที่ปรับเปลี่ยนได้ล่ะปรับเปลี่ยนในเชิงบริหารแต่ไม่ใช่ว่าไปเร่งกรเกษียณท่าน แต่ก็อย่าคิดแต่ชาวบ้านนะฮะคิดแต่ชาวบ้านไม่ได้เพราะชาวบ้านในจริงคิดผิดอ่ะว่าแน่ว่าอยู่ที่ไหนนานไม่ได้เนี่ยมันไม่จริงนะฮะคือคนอยู่ที่ไหนนานมันมีบารมีถ้าทําประโยชน์แก่สังคมเนี่ยจะมีบารมีมากเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อคูเนี่ยท่านอยู่ด่านคุณรถเหนือนะก็ยอยู่ไม่นานเท่าไหรอ่อ่ะมีบารมีพระอาจารย์บัวเจรเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่ป่าบ้านตาเนี่ย อยู่ยิ่งนานยิ่งมีบารมีคนได้หลวงปู่แถวนั้นแล้วสบายแล้วมีปัญหาอะไรไม่ต้องขึ้นโรงพูขึ้นศาลหรอกทําให้หนักหนาสถานการณอะไรหลวงปู่เรียกมาพูดแป๊เดียวก็จบแล้วดนั้นข้อ น, นี้จึงมุ่งไปในการปรับเปลี่ยนองค์กรแล้วก็ขับเคลื่อนไปตามเจตนารมณ์ในการประดิสถานของรพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า ยังบอกไว้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนดําเนินการพัฒนาให้สถาบันพระพุทธศาสนาและก็ศาสนาธรรมมีบทบาทสําคัญในการทําประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตามเจตนาลุกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าต้องฟั ง, อ, งอะไรใต่ร่มพระโพธิญาณได้แวะมาพูดเรื่องการบริรูปการศึกษารวมทั้งครั้งนี้ก็เป็นสิบครั้งก็เห็นว่าวันนี้ก็ได้มีการ นำเสนอพระราชบัญญัตินี้เข้าสู่คณะรัฐมนตรีไปแล้วการเคลื่อนไหวติดตามเรื่องโน่นี้คงทำต่อไปแต่ว่าการบรรยายในแหต ก, การนี้ก็ต้องหยุดไว้ถึงช่วงหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอ ง, งามพบูบุญในธรรมเดี๋ยวมีวท่านผู้ฟังสลางโดยทัวกันสวัสดี